พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้ตกไปในอำนาจตันหาในภพทั้งหลายกําลังดิ้นรนอยู่ในโลกนราชนที่เลวผู้ยังไม่คลายตันหาในภพน้อยภพใหญ่ร่ํารายอยู่ใกล้ปากมา จ, จุราชว่าด้วยหมู่สัตว์ดิ้นรนอยู่ในโลกเพราะตันหาคําว่าเราเห็นในคําว่าเราเห็นกําลังดิ้นรนอยู่ในโลกได้แก่ เราเห็นแลเห็นตรวจ ด, ดูเข่งพินิษฐ์พิจารณาดูด้วยมังสะจากขูบ้างด้วยทิพจักขูบ้างด้วยปัญญาจากขูบ้างด้วยพุทธจักขูบ้างด้วยสมันตะจากขูบ้างคําว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลกคําว่ากาลังดิ้นรนอยู่ อธิบายว่าเราเห็นแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิษ์พิจารณาดูหมู่สัตว์นี้ผู้กำลังดิ้นรนกระเสือกกระสนทุรนทุรายวันไหวสันเทากระจับกระสายด้วยความดิ้นรนเพราะตัณหาดิ้นรนเพราะทิฏฐิดิ้นรนเพราะกิเลสดิ้นรนเพราะการประกอบดิ้นรนเพราะวิบากดิ้นรนเพราะทุจริตคือ ผู้กำนัดก็ดิ้นรนตามอำนาจราคะผู้ขัดเคืองก็ดิ้นรนตามอำนาจโทสะผู้หลงก็ดิ้นรนตามอำนาจโมหะผู้ยึดติดก็ดิ้นรนตามอำนาจมานะผู้ยึดถือก็ดิ้นรนตามอำนาจทิฐิผู้ฟุ้งซ่านก็ดิ้นรนตามอำนาจอุทจจะผู้ลังเลก็ดิ้นรนตามอำนาจวิจิกิจฉา ผู้ตกอยู่ในพลังกิเลสก็ดิ้นรนตามอำนาจอนุสัยดิ้นรนเพราะลาบเพราะเสื่อมลาบเพราะยศเพราะเสื่อมยศเพราะสรรเสริญเพราะนินทาเพราะสุขเพราะทุกข์ดิ้นรนเพราะชาติเพราะชราเพราะพยาธิเพราะมรณะเพราะโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญนทุกขะความทุกข์กายโทมนัท์ความทุกข์ใจ และอุปาญาตความขับแค้นใจดิ้นรนเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในนรกเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในกาเนิดเดรฉานเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในเปตะวิัยเพราะทุกข์เนื่องจากการเกิดในโลกมนุษย์เพราะทุกข์เนื่องจากการเถรกาเนิดในคันเพราะทุกข์เนื่องจากการอยู่ในคันเพราะทุกข์เนื่องจากการคลอจากคันเพราะทุกข์ที่สืบเนื่องจากผู้เกิด เพราะทุกข์ของผู้เกิดที่เน <|so|> ื่องมาจากผู้อื่นเพราะทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของตนเองเพราะทุกข์ที่เกิดจากความพยายามของผู้อื่นเพราะทุกข์ที่เกิดจากความทุกข์กายทุกใจเพราะทุกข์ที่เกิดจากสังขารเพราะทุกข์ที่เกิดจากความแปรผันดิ้นรนเพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคทางตาเพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคทางหูเพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคทางจมูก เพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคทางลิ้นเพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายเพราะทุกข์ที่เกิดจากโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคขืดไข้หวัดไข้พิกไข้เชื่อมซึมโรคท้องเป็นลมสลบลงแดงจุกเสียดอหิวาตกโรคโรคเรื้อนฝีกลากมองเคร่อลมบ้าหมูหิดเปื่อย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 ทุกเพราะบุตรตายทุกเพราะธิดาตายความพินาศของญาติโภคทัพย์พินาศความเสียหายที่เกิดจากโรคสีลวิบัติทิฏฐิวิบัติรวมความว่าเราเห็นกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกคําว่าหมูสัตว์ในคําว่าหมูสัตว์นี้ผู้ตกไปในอานาจตันหาในภพทั้งหลายเป็นชื่อเรียกสัตว์คําว่าตันหาได้แก่รูปตันหา สัทตันหาคันทตันหารัสะตันหาโพธภะตันหาธรรมตันหาคำว่าผู้ตกไปในอำนาจตันหาอธิบายว่าผู้ตกไปในอำนาจตันหาคือไปตามอำนาจตันหาซ่านไปตามตันหาจมลงในตันหาถูกตันหาผลักให้ตกไปถูกตันหาครอบงำมีจิตถูกตันหายึดครอง คำว่าในภพทั้งหลายได้ แ, แก่ในกลามพภพรูปภพอรูปภพรวมความว่ามูสัตว์นี้ผู้ตกไปในอำนาจตันหาในภพทั้งหลายคำว่านอรชนที่เลวในคำว่านอรชนที่เลวเริ่มรายอยู่ใกล้ปากมะจุราชอธิบายว่านอรชนที่เลวคือสามต่าซามหน้ารังเกียจหยาบช้าต่ำต้อย เพราะประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เลวปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตปิสุณาวาจาพารุสวาจาสัมผัปลาปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิสังขารทั้งหลายกามคุณห้านิวรห้าเจตนาความปรารถนาที่เลวคือซามต่ำซาม น่ารังเกยียจหยาบช้าต่ําต้อยเพราะประกอบด้วยความตั้งใจที่เลวรวมความว่านรชนที่เลวคําว่าใกล้ปากมจุราชในคําว่าร่ำารอยู่ใกล้ปากมจุราชอธิบายว่านรชนผู้ถึงมจุราชประจบ ก, กับมจุราชเข้าถึงมจุราชถึงมานประจบ ก, กับมานเข้าถึงมานถึงมรณะประจบ ก, กับมรณะ เข้าถึงมรณะร่ำไรเผอรำพันเศร้าโศกลำบากใจคร่ำครวญตีอกพร่ำเพอถึงความหลงไหลใกล้ปากมารใกล้ปากมรณะรวมความว่านรชนที่เลวร่ำไรอยู่ใกล้ปากมัจุราชคำว่าผู้ยังไม่คลายจากตันหาในพบน้อยพบใหญ่อธิบายว่าคำว่าตันหาได้แก่รูปตันหา มตัหาคำว่าในภพน้อยภพใหญ่อธิบายว่าในภพน้อยภพใหญ่คือในกรรมวัตและวิปากวตรในกรรมวัตรเป็นเครื่องเกิดในกรมภพในวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในการมภพในกรรมวัตเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในวิปากวัตรเป็นเครื่องเกิดในรูปภพในกรรมวัตรเป็นเครื่องเกิดในอรูปภพในวิปากวัตร เป็นเครื่องเกิดในอรูปภพในภพต่อไปในคติต่อไปในการเถอกําเนิดต่อไปในปฏิสนธิต่อไปในการบังเกิดของอัตภาพต่อไปคําว่าผู้ยังไม่คลายตันหาได้แก่ผู้ยังไม่คลายตันหาคือไม่ปราศจากตันหาไม่ฉละตันหาไม่คลายตันหาไม่เปลื่องตันหาไม่ละตันหาไม่ฉลัดทิ้งตันหา รวมความว่าผู้ยังไม่คลายตันหาในพบน้อยพบใหญ่ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้ตกไปในอำนาจตันหาในพบทั้งหลายกําลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนที่เลวผู้ยังไม่คลายตันหาในพบน้อยพบใหญ่ริ่มไรอยู่ใกล้ปากมัจจุราช พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพวกเธอจงดูหมูสัตว์ผู้กำลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเหมือนฝูงปลาในน้าน้อยสิ้นกระแสแล้วนรชนเห็นโทษนี้แล้วก็อย่า ก, ก่อตัญหาเครื่องเกี่ยวข้องในพบทั้งหลายเพึ่ประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเราว่าด้วยความยึดถือสองอย่าง คำว่าพวกเธอจงดูหมูสัตว์ผู้กําลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าคําว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอํานาจตันหาสความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอํานาจทิฏฐิ ความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาเป็นอย่างไรคือวัตถุที่ทำให้เป็นเขตเป็นแดนเป็นส่วนเป็นแผนกกาหนดถือเอายึดถือว่าเป็นของเราด้วยส่วนแห่งตันหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านี้ว่านี้ของเรานั่นของเราเท่านี้ของเราของเรามีปริมาณเท่านี้รูป เสียงกลิ่นรถโพทภะเครื่องปูล่าเครื่องนุ่งห่มธาตุหญิงชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองบ้านนิคมราชธานีแควนชนบทกองพลรบคลังหลวงแม่มหาปัตพีทั้งสิ้นย่อมจดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหา ซึ่งจำแนกได้ร้อยแปดน้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐิเป็นอย่างไรคือจักยัทิฐิมีวัตถุยี่สิบมิชาทิฐิมีวัตถุสิอันตคาเหเกาวทิฐิมีวัตถุสิทิฐิการตกอยู่ในทิฐิความรกชัดคือทิฐิความกันดานคือทิฐิ เสียนน้ำเพือทิฐิความดิ้นรนเพื่อทิฐิเครื่องผูกพันเพื่อทิฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเดรัถีความถือขัดแย้งความถือวิปริกความถือวิปราตความถือผิดความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้จนถึง ทิฏฐิหกสิบองนิชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอัมน้าทิฏฐิคำว่าพวกเธอจงดูหมูสัตว์ผู้กำลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าหมูสัตว์ผู้หวาดระแวงว่าจะมีผู้แย่งชิงวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมดิ้นรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นกำลังถูกแย่งชิงไป ย่อมดิ้นรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมดิ้นรนบ้างหมูสัตว์ผู้หวาดระแวงว่าจะมีความแปรผันไปแห่งวัตถุที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราย่อมดิ้นรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นกําลังแปรผันไปย่อมดิ้นรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นแปรผันไปแล้วย่อมดิ้นรนบ้างคือกระวนกระวายกระเสือกกระสนทุรนทุรายหวันไหวสันเทา กระสับกระสายอยู่พวกเธอจงดูคือแลดูมองดูเพ่งพินิษพิจารณาดูหมู่สัตว์ผู้กําลังดิ้นรนอยู่คือกระวักระวายกระเสือกระสนทุรนทุรายวันไหวสั่นเทากระสับกระสายอยู่อย่างนี้รวมความว่าพวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กําลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรา คำว่าเหมือนฝูงปลาในน้ำน้อยสิ่งกระแสแล้วอธิบายว่ามูสัตว์ผู้หวาดระแวงว่าจะมีผู้แย่งชิงวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมดิ้นรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นกำลังถูกแย่งชิงไปย่อมดิ้นรนบ้างเมื่อวัตถุนั้นถูกแย่งชิงไปแล้วย่อมดิ้นรนบ้างมูสัตว์ผู้หวาดระแวงว่าจะมีความแปรผันไปแห่งวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรา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 ประวัตกระวายกระเสือกกระสนทุรนทุรายหวั่นไหวสันเทากระสับกระสายอยู่ฉะนั้นรวมความว่าเหมือนฝูงปลานินน้าน้อยซึ่งกระแสนแล้วคําว่าโนรชนเห็นโทษนี้แล้วพึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าโนรชนเห็นแล้วคือแลเห็นแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้ว ทำให้แจ่มแจ้งแล้วซึ่งโทษนี้เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรารวมความว่านรชนเห็นโทษนี้แล้วคาว่าพึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่ความยึดถือว่าเป็นของเราสองอย่างคือความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหา สความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐินี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหานี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐินรชนละความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วไม่ยึดถือตาว่าเป็นของเราไม่ยึดถือหูว่าเป็นของเรา ไม่ยึดถือจมูกว่าเป็นของเราไม่ยึดถือลิ้นว่าเป็นของเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นของเราไม่ยึดถือใจว่าเป็นของเราไม่ยึดถือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐพะธรรมรมตระกูลหมูนะ่คณะอวอาจลาบยศสันเสริญสุขจีวรบินทบาตเสนาสนะ กิฬานปัจจัยเภสัจบ ร, ริขารกามาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามาพรูปพบอรูปพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพบเอกรโวการพบจะตุโวการพบปัญจโวการพบอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐะที่รับรู้ และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งว่าเป็นของเราพึงประพฤติคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่านรชนเห็นโทษนี้แล้วพึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเราคําว่าในภพทั้งหลายในคําว่ายากอรตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายได้แก่ในกาลมาภพรูปภพ อรูปภพตันหาตรัสเรียกว่าเครื่องเกี่ยวข้องคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะคำว่าอยาก่อตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายอธิบายว่าอยาก่อตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายคืออยาก่ออย่าให้เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้บังเกิดอย่าให้บังเกิดขึ้นซึ่งความพอใจความรัก ความใคร่ความชอบใจรวมความว่าอย่า ก, ก่อตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กําลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเหมือนฝูงปลาในน้ําน้อยซึ่งกระแสะแล้วนรชนเห็นโทษนี้แล้วก็อย่า ก, ก่อตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลาย พึ่ประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเราสิบสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่านักปราดพึ่กกำจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านกำหนดรูภาษะแล้วก็ไม่ติดใจ ติเตียนกรรมใดด้วยตนก็ไม่ทํากรรมนั้นไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแล้วคําว่าพึงกําจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านอธิบายว่าคําว่าส่วนสุดได้แก่ผัสสะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดแห่งผัสสะเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งอดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่ง สุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งนามเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งอายตนะภายในหกเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอายตนะภายนอกหกเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งความถือตัวเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งเหตุเกิดแห่งความถือตัวเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งคาว่าความพอใจได้แก่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 กิเลสเครื่องกั้นจิตคือความพอใจด้วยอำนาจความใคร่เนื้อกามทั้งหลายคําว่าพึงกําจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านได้แก่พึงกําจัดคือขจัดละบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านรวมความว่าพึงกําจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้าน ว่าด้วยภาษะต่างๆคำว่ากําหนดรู้ัาษะแล้วก็ไม่ติดใจอธิบายว่าคําว่าภาษะได้แก่จักขุสัมผัสสัมผัสทางตาโสตะสัมผัสสัมผัสทางหูคานะสัมผัสสัมผัสทางจมูกชิวหาสัมผัสสัมผัสทางลิ้นกายสัมผัสสัมผัสทางกายมโนสัมผัสสัมผัสทางใจ อธิวัจนะสัมผัสสัมผัสที่เกิดทางมโนทวารปติฆะสัมผัสสัมผัสแห่งกลางกระทบใจสุขเวทนิยสัมผัสผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขเวทนิยผัสสะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนิยผัสสะผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุคขมสุขเวทนาผัสสะที่เป็นกุศลผัสสะที่เป็นอกุศล ภาษาที่เป็นอภยยากฤิตรภาษาที่เป็นกามวจรภาษะที่เป็นรูปาวจรภาษาที่เป็นอรูปาวจรสุญญตาภาษะอนิมิตตาภาษะอปันิหิตตะาภาษะที่เป็นโลกียาภาษะที่เป็นโลกุตระภาษะที่เป็นอดีตภาษาที่เป็นอนาคตภาษะที่เป็นปัจจุบันภาษะความถูกต้องกริยาที่ถูกต้อง ภาวะที่ถูกต้องเห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าผัสสะว่าด้วยปริญญาสามคำว่ากําหนดรู้ผัสสะแล้วอธิบายว่ากําหนดรู้ผัสสะด้วยปริญญาสามคือหนึ่งญาติปริญญาการกําหนดรู้ขั้นรู้จัก2ตีรณปริญญาการกําหนดรู้ขั้นพิจารณา 3. ปหานะปริญญา การกำหนดรู้ขั้นละญาตะปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปรารู้จักผัสสะคือรู้เห็นว่านี้จักขุสัมผัสนี้โสตะสัมผัสนี้คานะสัมผัสนี้ชิวหาสัมผัสนี้กายะสัมผัสนี้มโนสัมผัสนี้อธิวจนะสัมผัสนี้ปฏิฆะสัมผัสนี้ผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานี้ผัสสะ เป็นที่ตั้งแห่งทุกเวทนานิพัสสะเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานิพัสสะที่เป็นกุศลนิพัสสะที่เป็นอกุศลนิพัสสะที่เป็นอัภยกฤตนี้ผัสสะที่เป็นกามวจรนิพัสสะที่เป็นรูปาวจรนิพัสสะที่เป็นอรูปาวจรนิสุญญะพัสสะนี้อนิมิตะพัสสะนี <wives> ้อปนิห <sesi> <azar> ิตะพัสสะ นีพัสสะที่เป็นโลคยะนีพัสสะที่เป็นโลกุตระนีพัสสะที่เป็นอดีตนีพัสสะที่เป็นอนาคตนีพัสสะที่เป็นปัจจุบันนี้ชื่อว่าญาตะปริญญาตีรณปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปราชญ์ทำสิ่งที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้แล้วพิจารณาผัสสะคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรค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 เป็นอนัตตาเป็นของมีโทษเป็นของแปรผันไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่มีแสนสารเป็นเหตุแห่งความลำบากเป็นดุดเพชฆาตเป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาศวะเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติความเกิดเป็นธรรมดามีชราความแก่เป็นธรรมดามีพยาธิความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา มีมรณะเป็นธรรมดามีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความขมครวนทุกขะความทุกข์กายโทมนัตความทุกข์ใจอุปายากความคับแคลนใจเป็นธรรมดามีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปนี้ชื่อว่าตีรณปริญญา ปหาณปริญญาเป็นอย่างไรคือนักปราชครั้นพริจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในผัสสะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความกาหนัดด้วยอํานาจความพอใจในผัสสะทั้งหลายเสียผัสสะนั้นเธอทั้งหลายละได้เด็ดขาดแล้วอย่างนี้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 ได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศสมูลคือโลภะความติดใจนี้ผู้ใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นเรียกว่าผู้ไม่ติดใจผู้นั้นไม่ติดใจคือไม่ยินดีไม่สยบไม่หมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรส โพธะพะตระกูลหมู่คณะอาว่าลาบยศสรนเสริญสุขจีวณบินธบาตเสนาสนะกิฬานปัจจัยเภสัตบริคานกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกวัวการะภพจตุโวการะภพปัญจโวการะภพ อดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐะพะที่รับรู้และธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งได้แก่เป็นผู้คลายความติดใจแล้วปรชาจากความติดใจแล้วสละความติดใจแล้วคลายความติดใจแล้วปล่อยความติดใจแล้วละความติดใจแล้วสลัดทิ้งความติดใจแล้วเพื่อเป็นผู้คลายความกำหนัดแล้ว ปราศจากราคาแล้วสละราคาแล้วขายราคาแล้วปล่อยราคะแล้วละราคาแล้วสลัดทิ้งราคาแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่ากำหนดรู้ภาษาแล้วก็ไม่ติดใจคำว่าใดในคำว่าติเตียนกรรมใดด้วยตนก็ไม่ทำกรรมนั้นได้แก่ กรคำใดคําว่าติเตียนกรรมใดด้วยตนอธิบายว่านักปราติเตียนตนเพราะเหตุสองอย่างคือหนึ่งเพราะทำสองเพราะไม่ทำนักปราติเตียนตนเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างไรคือนักปรารย่อมติเตียนตนว่าเราทํากายยัติจริตไม่ทํากายยสุจริตเราทําวจีทุจริตไม่ทําวจีสุจริต เราทำมโนโทุจริตไม่ทำมโนสุจริตคือนักปราดย่อมติเตียนตนว่าเราทำปานตาิบาตการฆ่าสัตว์ไม่ทำความงดเว้นจากปานตาิบาตเราทำอธินนาทานการลักทรัพย์ไม่ทำความงดเว้นจากอธินนาทานเราทำการเมสมิชฌาจาร์ประพฤติผิดในการมไม่ทำความงดเว้นจากการเมสมิชาจารเราทำมุสาวาทการพูดเท็จ ไม่ทำความงดเว้นจากมุสาวาทเราทำปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดไม่ทำความงดเว้นจากปิสุณาวาจาเราทำพรุสวาจาการพูดหยาบคายไม่ทำความงดเว้นจากพรุสวาจาเราทำสัมผัปปาลปะการพูดเพอเจอ้อไม่ทำความงดเว้นจากสัมผัปปาลปะเราทำอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาไม่ทำอนาภิชา เราทำพยาบาทความคิดปองร้ายไม่ทำอัพยาบาทเราทำมิช้าทิฏฐิความเห็นผิดไม่ทำสัมมาทิฏฐินักปราชชื่อว่าติเตียนตนเพราะทำและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้อีกนายหนึ่งนักปราชย่อมติเตียนตนว่าเราไม่รักษาศีลให้บริบูรณ์ไม่สำรวมในอินทรีย์ทั้งหกไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เสมอไม่หมันประกอบด้วยสติสัมปชัญญะไม่เจริญสติประฐานสี่ไม่เจริญสัมมาประธานสี่ไม่เจริญอิธิบาทสี่ไม่เจริญอินรีห้าไม่เจริญภละห้าไม่เจริญพชชงเจ็ดไม่เจริญอริยมรรติองแปไม่กาหนดรู้ทุกข์ไม่ละสมุทัยไม่เจริญมรรคไม่ทําให้แจ้งนิโรธ นักปราดชื่อว่าติเตียนตนเพราะทมและเพราะไม่ทำเป็นอย่างนี้นักปราดไม่ทำคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นซึ่งกรรมที่ติเตียนตนด้วยอาการอย่างนี้รวมความว่านักปราดติเตียนกรรมใดด้วยตนก็ไม่ทำกรรมนั้นคำว่านักปราดไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแล้วอธิบายว่า คำว่าความติดได้แก่ความติดสองอย่างคือหนึ่งความติดด้วยอำนาจตันหา 2. ความติดด้วยอำนาจทิฏฐิน้ชื่อว่าความติดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความติดด้วยอำนาจทิฏฐิคำ ว, ว่านักปราดได้แก่นักปราดคือผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้ผู้มีญาณผู้มีปัญญาแจ่มแจ้ง ผู้มีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสนักปราดละความติดด้วยอำนาจตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งความติดด้วยอำนาจทิฐิได้แล้วไม่ติดคือไม่ติดพันไม่เข้าไปติดในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐพะที่รับรู้และธรรมารมที่พึงรู้แจ้งคือเป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดพันแล้วไม่เข้าไปติดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้ว หลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากความติดอยู่รวมความว่านักปราศไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านักปราศพึงกำจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านกาหนดรู้ผัสสะแล้วก็ไม่ติดใจติเตียนกรรมใดด้วยตนก็ไม่ทำกรรมนั้น ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแล้วสิบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีกำหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายพึงข้ามโอคะได้ ถอนลูกศรได้แล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคําว่ากําหนดรู้สัญญาแล้วพึงข้ามโอคะได้อธิบายว่าคําว่าสัญญาได้แก่กามสัญญาพยาบาทสัญญาวิหิงสาสัญญาเนคขมะสัญญาอพยาบาทสัญญาอวิหิงสาสัญญารูปปสัญญาสัทธสัญญา คันธสัญญารสสัญญาโพธภสัญญาธรมมสัญญาความจำได้กิริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้เห็นปานนี้นี้ตรัสเรียกว่าสัญญาคำว่ากำหนดรู้สัญญาแล้วได้แก่กำหนดรู้สัญญาด้วยปริญญาสามอย่างคือ1ญาตปริญญา 2. ตีรณปริญญา 3. ปหานะปริญญาญาตะปริญญาเป็นอย่างไรคือมุนีรู้จักสัญญาคือรู้เห็นว่านี้กามสัญญานี้พยาบาทสัญญานีวิหิงสาสัญญานี้เนคขมสัญญานี้อพยาบาทสัญญานี้อวิหิงสาสัญญานี้รูปประสัญญานี้สัทธสัญญานี้คันทะสัญญานี้รสสัญญานี้โพธภะสัญญา นี้ธรรมสัญญานี้ชื่อว่าญาตะปริญญาตีรณะปริญญาเป็นอย่างไรคือมุณีทำสิ่งที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้แล้วพิจารณาสัญญาคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกสอนเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นของสุดโทมเป็นเสนีตเป็นอุปัตะวะเป็นภัย เป็นอุปสรรคเป็นของหวั่นไหวเป็นของผุพังเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่มชื่นไม่ได้เป็นโทษเป็นของที่ต้องสลัดออกไปนี้ชื่อว่าตีรณะณปริญญาปหานปริญญาเป็นอย่างไรคือมุนีครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็ย่อมละบรรเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีก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 ปหาาริญญคำว่ากำหนดรู้สัญญาแล้วได้แก่กำหนดรู้สัญญาด้วยปริญญาสามอย่างเหล่านี้แล้วคำว่าพึงข้ามโอคะได้อธิบายว่าพึงข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยกามโมคะห่วงน้ําคือกามพโวคะห่วงน้ําคือพบทิโถคะห่วงน้ําคือทิฐิอวิโชคะ วกน้ำคืออวิชารวมความว่ากําหนดรูปสัญญาแล้วพึงข้ามโอคะได้คำว่ามุนีไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายอธิบายว่าคำว่าความยึดถือได้เกิดความยึดถือสองอย่างคือหนึ่งความยึดถือด้วยอานาจตันหา 2. ความยึดถือด้วยอานาจทิฏฐินิชื่อว่าความยึดถือด้วยอานาจตันหา นี้ชื่อว่าความยึดถือด้วยอํานาจทิฏฐิคําว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิผู้ที่ประกอบด้วยญาณ น, นั้นชื่อว่ามุนีคือผู้บรรลุโมนายาแล้วโมเนยธรรมธรรมที่ทําให้เป็นมุนีสามประการคือหนึ่ง โมนยธรรมทางกาย2โมนยธรรมทางวาจาสโมนยธรรมทางใจโมนยธรรมทางกายเป็นอย่างไรคือการละกายสุจริษสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางกายกายสุจริษสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางกายญาณมีกายเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางกาย กายปริญญาการกำหนดรู้กายชื่อว่าโมนยธรรมทางกายมักที่สอรกโคตด้วยปริญญาชื่อว่าโมนยธรรมทางกายการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในกายชื่อว่าโมนยธรรมทางกายความดับแห่งกายสังขารการบรรลุจตุทัชฌานชื่อว่าโมนยธรรมทางกายนี้ชื่อว่าโมนยธรรมทางกาย โมนยธรรมทางวาจาเป็นอย่างไรคือการละวจีทุจิริสีย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาวจีสุจิริสีย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจายามีวาจาเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจาวาจาปริญญาการกำหนดรู้วาจาชื่อว่าโมนยธรรมทางวาจามักที่เฉรักโทด้วยปริญญาชื่อว่า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 มโนุสสุจริตสามอย่างชื่อว่าโมนยธรรมทางใจยาณมีใจเป็นอารมณ์ชื่อว่าโมนยธรรมทางใจจิตตปริญญาการกําหนดรู้จิตชื่อว่าโมนยธรรมทางใจมักที่สหรโคตด้วยปริญญาชื่อว่าโมนยธรรมทางใจการละความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในจิตชื่อว่าโมนยธรรมทางใจความดับแห่งจิตตสังขาร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 สอเสขาโมนีหปัจเจกะโมนี 6. มโมนิมุนีอาคาระมุนีเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้ครองเรือนเห็นทางนิพพานแล้วรู้แจ้งหลักคำสอนแล้วเหล่านี้ชื่อว่าอาคาระโมนีอนอาคาระมุนีเป็นอย่างไรคือบุคคลผู้เป็นบนรรพชิตเห็นทางนิพพานแล้วรู้แจ้งหลักคำสอนแล้ว เหล่านี้ชื่อว่าอนาคารามุนีพระเสขะเจ็ดจำพวกชื่อว่าเสขมุนีพระอรหันต์ทั้งหลายชื่อว่าอเสขมุนีพระปัจเจ ก, กะพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าปัจเจ ก, กะมุนีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสเรียกว่ามุนิมุนีสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วก้าวล่วงกิเลสเครื่องล้องและตันหาดุจตะขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าความติดได้แก่ความติดสองอย่างคือหนึ่งความติดด้วยอำนาจตันหาสองความติดด้วยอำนาจทิฏฐินิชื่อว่าความติดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความติดด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีละความติดด้วยอำนาจตันหาได้แล้ว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 คิมว่าถอนลูกศรได้แล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่อธิบายว่าคิมว่าลูกศรได้แก่ลูกศรเจ็ดชนิดคือหนึ่งลูกศรคือราคะสองลูกศรคือโทสะสามลูกศรคือโมหะสี่ลูกศรคือมานะห้าลูกศรคือทิฐิหกลูกศรคือโสกะเจ็ดลูกศรคือความสงสัย ลูกศอนเหล่านั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้ถอนลูกศรได้แล้วคือถอนลูกศรออกแล้วดึงลูกสอนขึ้นแล้วดึงลูกสอนออกแล้วฉุดลูกศรออกแล้วกระชากลูกศรออกแล้วสละลูกสอนแล้ว คลายลูกศรแล้วปล่อยลูกศรแล้วละลูกศรแล้วสลัดทิ้งลูกศรแล้วเป็นผู้หมดความอยากดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐสวยสุขอยู่รวมความว่าถอนลูกศรได้แล้วคําว่าประพฤติอยู่ได้แก่ประพฤติอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไป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 ความประกอบหนึ่งเนื่งด้วยคิดว่าเราพึงกําหนดรู้ทุกที่ยังไม่ได้กําหนดรู้พึงละกิเลสที่ยังไม่ได้ละพึงเจริญมากที่ยังไม่ได้เจริญหรือพึงทําให้แจ้งนิโรธที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งโดยอุบายอย่างไรดังนี้ชื่อว่าไม่ประมาทในคุณสมธรรมทั้งหลายรวมความว่าถอนลูกศรได้แล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่คําว่า ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าอธิบายว่าไม่หวังโลกนี้คืออัตภาพของตนไม่หวังโลกหน้าคืออัตภาพของผู้อื่นไม่หวังโลกนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญ LEGO, ญาณของตนไม่หวังโลกหน้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณของผู้อื่นไม่หวังโลกนี้คืออายตนะภายในหก ไม่หวังโลกหน้าคืออายตนะภายนอกหกไม่หวังโลกนี้คือมนุษย์โลกไม่หวังโลกหน้าคือเทวโลกไม่หวังโลกนี้คือกามทธาตุไม่หวังโลกหน้าคือรูปธาตุอรูปธาตุไม่หวังโลกนี้คือกามทธาตุรูปธาตุไม่หวังโลกหน้าคืออรูปธาตุไม่หวังคือไม่ต้องการไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมาย ไม่มุ่งหวังคติการเถือกำเนิดปฏิสนธิพบสงสารหรือวัตตะต่อไปรวมความว่าย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีกำหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายพึงข้ามโอคะได้ถอนลูกศรได้แล้วไม่ประมาทประพฤติอยู่ ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคู่หัตกะสุตตานิเทศที่สองจบ